บรรดาทา่านผู้บริษัททั้งหลาย <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันที่สามขอเดินมิถุนายนเรื่อในการเจริญเมัตาทานสำหรับวันนีสศาลนี้ตามปกติเคยสรุปสัโยชตสิทธิ์บรรดาญาโยมผู้บริษัททราบว่าการปฏิบัติเพื่อหวังมรรคผลมรรคผลขั้นไหนต้องตัดสัย ญ, ญาณดับไหนกันบ้าง <c oughs> เรื่องสัญญาศิธิ์อย่าของดไลก่อนอันดับแรกก็ขอพูดถึงวิธีปฏิบัติการปฏิบัติเบื้องต้นให้ต้องพูดกับทุกวันเพราะญาติโยมบางคนท่านมาใหม่ก <c oughs> ่อนที่บรรดาญาติโยามพุทธบริษัทจะพิจารณาลมให้ใจเข้าออกหรือว่าภาวนาอันดับแรกคอยใช้กำลังปัญญาเล็กน้อย <c oughs> พิจารณาใจรักษรยานซึ่งเป็นเป็นวิปัสนาญาณอย่างอ่อนตอนแรกนะให้ใช้ปัญญาคิดตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงถ้าจะร่างกายเราก็ไม่เที่ยงร่างกายคนอื่นก็ไม่เที่ยงร่างกายใส่ก็ไม่เที่ยงวัต ถ, ถุท่าต่างๆก็ไม่เที่ยงที่ว่าไม่เที่ยงเพรามีความบุเกิดขึ้นในเบื้องต้น ไปก็มีการเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางอย่างร่างกายคนในร่างกายสัตว์เกิดใหม่ตัวเล็กต่อมาก็เปลี่ยนแปลงโตขึ้นทีือน้อยเดือนน้อยจนทั้งเป็นหนุ่มเป็นสาวเมื่อถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปถึงความเป็นคนกลางคนจากวัยกลางคนก็เป็นคนแก่นี่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเมื่อสภาพไม่เที่ยงคงอยู่ จิตใจของเราก็คิดว่าร่างกายที่มันต้องเที่ยงร่างกายเราต้องไม่แกร่ร่างกายเราต้องไม่ป่วยร่างกายเราต้องไม่ตายเราคิดอย่างนั้น <c oughs> ทั้งๆทงี่ความแก่ความป่วยความตายเป็นของปกติเราคิดว่ามันจะไม่ป่วยไม่แก่ไม่ตายในเมื่อความแก่คลืบคลาก็มาใจิตใจก็ไม่เป็นสุขพราะเรารังเกียดความแก่ แล้วความป่วยคลื่นคลายก็ามาจิตใจก็ไม่เป็นสุขเพรมีทุกขเวทนา <c oughs> ้เราไม่ชอบป่วยก็เป็นนั้นว่าในเมื่อเราไปหลวงว่ามันจะเคลื่อนมันจะทรงตัวในเมื่อความทรงตัวของมันไม่มีอารมณ์ใจเราก็เป็นทุกข์ที่เรียกว่าทุกขังในที่สุดร่างกายของเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีร่างกายใส่ก็ตาม วัตถุธาตุหลายก็ตามมีการสลายตัวไปในสุดคนกับสัตว์ตายวัตถุธาตุพังก็เรื่งความร่างกายเป็นสมบัติของโลกลวัตถุธาตุเป็นสมบัติของโลกขึ้นช่อว่าสมบัติของโลกไม่มีอะไรเที่ยงถ้าระยิดถือแม่งเกินไปก็จะมีรมใจเป็นทุกข์ในที่สุดมันก็พัง ถ้าเราต้องเวียนไหวตายเกิดอย่างนี้เราก็ไม่พ้นความทุกข์ที่เรามาปฏิบัติธรรมหนึ่งมีการให้ทานบ้างสองรักษาศีลบ้างสามเจริญภาวนาบ้างเราต้องการพ้นทุกข์าการพ้นทุกข์มีที่ไหนนั่นคือนิพพาน <c oughs> นิพพานเขาทำยังไงก็มีการหนึ่งให้ทานเป็นการตัดโลภะความโลภการรักษาศีลเป็นการตัดโทสะความกโกรธ การเจริญภาวนาเป็นการตากโมหะความหลงคิดอย่างนี้ซึ่งก่อนนะหลังจากนั้นก็กาหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก <c oughs> ให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวรืสั้นออกยาวรืเส้นกาา็ทราบอย่างนี้ที่ว่ามีสมาธิอนาณาณาณาปานุสติก ร, รมฐาน หลังจากนั้นก็ควบคุมในการคำภาวนาสําหรับสุขาเวสสกนี่คำภาวนาไม่จํากัดบรรด้ย้ายโยมพุทธบริษัทที่เคยภาวนาคล่องตัวแบบไหนให้ทําตามนั้นภาวนาบทเดิมไม่ต้องเปลี่ยนถ้าคืนเปลี่ยนเป็นการขึ้นต้นใหม่เป็นการทวนทัศน์เต้นถอยหลังเข้าครองถ้าคล่องอย่างไหนใช้อย่างนั้นเท่าไห่ใช้ได้ ธรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนเลยให้ใช้คําำรณาว่ า, าวพุทโธคือ เ, เวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธวลาให้ใจออกนึกว่าโทพราบคําว่าพุทโธนี้เป็นพระ น, นามขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพุทธานุติกรรมฐานต่อไปก็มาว่าถึงอาลยสง์ของสมาธิตธรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทปฏิบัติสมาธิแต่ละครั้ง จิตใจก็ไม่ทรงตัวนักสามารถจะคุมลมหายใจเขาออกกับภาวนาไว้ได้เล็ ก, ลกน้อยจิตก็เคลื่อนไปจับอารมณ์อื่นคิดอย่างอื่นต่อไปนานๆเขาก็มีความรู้สึกว่าเวลานี้เราไม่ได้ภาวนาเราไม่รู้ลมหายใจเขาออกจิตฟุ้งซ่านไปเสแล้วก็เริ่มจับต้นใหม่รู้ลมหายใจเขาออกภาวนาไป ทำอย่างนี้สลับกันวันได้วันเล็กวันน้อยตามทุกควเ่ากสมาธิไม่มันโคงอย่างนี้ท้านเรียกตามภาษาวลีว่าคณิกะสมาธิคณิกาสมาธินี่แปลว่าสมาธิเล็กน้อย <c oughs> ถ้าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทท่านใดคุมสมาธิเล็กน้อยได้ทุกวันวันหนึ่งทั้งหนึ่งนาทียังบ้างสองนาทีบ้าง แลวจิตก็เฟื่องคิดอย่างอื่นมาแทรกแซงต่อไปก็คุมจับก็ามาใหม่คิดตั้งคุมไม่ได้หนึ่งนาทีบ้างสองนาทีบ้างก็ตามใจแต่กําลังใจก็ไม่มั่นคงนักอย่างนี้เรือคณิกาสมาธิถ้าคุมได้อย่างนี้ตลอดชีวิตคําว่าตลอดชีวิตก็ไม่ได้ไหมายความม่ตั้งแต่เกิดหมายความตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปถ้าเพียงอย่างนี้เวลาที่ท่านจะตาย สามารถคุมอารมณ์เล็กน้อยได้อย่างนี้ก็สามารถจะเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าบนกามาวาจรสวรรค์ได้แต่ว่าเป็นชั้นที่ไม่สูงนะักก็ยังดีกว่าเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นสติสานหรือเกิดในใบปูมแต่ว่ารญาติโยมคนใดสามารถคุมกำลังใจได้ขั้นอุปจาระสมาธิขั้อุปจาระสมาธินี่มีปีติเป็นพื้นฐาน คือมีความอิ่มใจในสมาธิขณะที่ทําสมาธิก็มีความเอื้อปีมมีจิตประสุขจิตสงัดพอสมควรไม่นานนักพอเดี๋ยวหนึ่งจิตก็เคลื่อนออกไป ภ, ภายนอกคิดโน่นบ้างคิดนี่บ้างนอกรูปนอกทางไปของธรรมาดาพอมีความรู้สึกขึ้นมาก็เริ่มจับอารมณ์ใหม่จับอรมณ์ให้ใจเข้าออกภาวนาใหม่จิตก็เริ่มเป็นสุขใหม่เล็กๆน้อยๆไม่มากนัก ยังไม่ถึงฌานสมาบัติ่ต็จะสามารถทรงจิตในขั้นอุปจารสมาณิได้ตลอดไปท่านบอก่า ว, ว่าจะจะเลือกเป็นเทวดาด้านนางฟ้าชั้นไหนก็ได้ในหกชั้นมีสิทธิเป็นเทวดาด้านนางฟ้าเจ้าหกด้านชั้นได้ตามชอบใจพิโวภัยกว่าตั้งสมาธิเล็กน้อยทัอุปจารสมาธิเราจะเป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าได้ ว่าท่านใดสามารถกำดบังคุงกระลงชัยกำลังใจได้ถึงฌานสมาบัติและก็เวลาก่อนจะตายจิตทรงฌานคำว่าทรงฌานนี้ไม่หมายความต้องนั่งตายเสมอไปนะนั่งก็ได้นอนก็ได้ถ้าจะถามว่าจิตทรงฌานทนยังไง <c oughs> ก็ขอตอบเพื่อความเข้าใจว่าสมมติว่าบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทธเคยบูชาพระประจำวัน เรียกว่าทุกวันบูชาพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งอยู่ถ้าท่าถึงเวลานั้นถ้าไมัยังไม่ได้บูชาจิตใจไม่สบายก็อยา่าจูบชากร่า <c> ง <oughs> อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นชาในอนุสติคือพุทธานุสติกรรมฐานนัึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ถ้าเวลาท่านป่วยหนักก็ เ, เวลาป่วยจิตคิดถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปองค์นั้นไป็นจิตก็ไม่ใชื่อยไหถึงทั้งวัน ขณะใดที่มามีทุกขเวทนาก็ลืมไปบ้างเวลาใครเขามาคุยก็ลืมไปบ้างหลับก็ลืมไปบ้างแต่ตื่นม่เวลาว่างจิตถึงพระพุทธรูปองค์นั้นจิตเป็นประจำอย่างนี้ชื่อมีฌานในพุทธานุสิตกรรมฐานถ้าตายจากความเป็นคนจะเป็นพรหมทันทีรวิว่ากัรถึงขึ้นคาว่าฌานฌานไม่หนักนักจะสังเกตได้คําว่าฌานขั้นแรกคือปฐมฌาน ขณะที่จิตทรงสมาธิอยู่จิตจะไม่ดําคาญในเสียงอันนี้เป็นปฐมฌานในตอนต้นนี้ขอพูดแค่ปฐมฌานเพื่อความเข้าใจฌานต่อไปก็ไม่จำํำจะต้องพูดตอนนี้ไปก็จะขอนําเรื่องของบสูตรที่ปรากฏมีมาในพระธรรมบทมันเล่าไห้บรรดาอาารพุทธบริษัทฟังเป็นแบบเป็นตัวอย่างแห่งการปฏิบัติ สำหรับเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องของพระที่ปรารบวิปสัสนาญาณความมีอยู่ว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมามสัมพุทธเจ้าทรงมาทัพยอยู่ที่เมืองสาวัตถีเวลานั้นปรากฏว่ามีพระห้าร้อยรูปพระห้าร้อยองค์ก็เลยกันนะคํารูปเร า, มาไม่เคยจะเรียกกันเรียกองค์ <c oughs> พระห้าร้อยองค์ ขอเดินกรรมฐ า, านจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ต้นยันพระอระหรันต์ก็ทีเจ้าก็ทรงสอนตั้งแต่เริ่มต้นคือเริ่มต้น เ, ม, นเมื่อไม่กี่เนื้อรู้หรือไม่ใจเขาออกพิจารณาก่อนจึงภาวนาอย่างนี้เป็นต้นอย่างไม่กี่นี้เมื่อท่านเรียนจบก็ลาพระพุทธเจ้าเข้าป่าพากลัไปถึงเขตป่าแห่งหนึ่งก่อนที่จะเข้าถึงป่าพลายสนป่าชัด ก็มีหมู่บ้านใหญ่มุนบ้านหนึ่งเมื่อชาวบ้านเห็นพระทั้งห้าร้อยรูปไปเขาก็มีความเลื่อมใสก็ส่งคนมานิมนต์พระให้แวะหมู่บ้านนั้นเมื่อพระแวะเข้าไปแล้วก็เลี้ยงพระตาหารตามทุกคนแ่ะเจจัดอย่างดีที่สุดที่จะปหาได้เมื่อพระฉันอิ่มแล้วก็ถามพระว่าประคุณเจ้าทั้งห้าร้อยรูปจะไปไหน <c oughs> พระก็บอกว่าจะไปหาที่สบาย ที่ไหนสบายไปอยู่ที่นั่นคาว่าสบายมันจะหมายทึงสงัดชา ว, วบ้านก็บอกว่ากานใกล้ๆบ้านนี้มีป่าป่าภัยสนอยู่แห่งหนึ่งเป็นป่าชัดถ้าพระคุณเจ้าจะไปอยู่ที่ตรงนั้นก็ไม่ไกลจากหมู่บ้านนี้นักตอนเช้ามาบินาบาตได้พวกก้กระผมผมจะถวายพระตาหารและนอกจากนั้นพวกผมชาวบ้านนี้จะรักษาศิลห้าบ้างรักษาศิลแปบ้า ง, ร, าางรักษาโบสถศิลบ้าง แล้วก็จะขอร่วมเจริญสมณธรรมสมณธรรมด้วยคําว่าสมณธรรมคืกรรมฐ า, านนี่พระตอนนั้นก็รับเมื่อรับแล้วก็ต่างคนต่างลายญาติโยงเข้าป่าชัดพอเข้าถึงปลาชัดจะปรากฏว่าบรรดาเทวดากำนางฟ้าทั้งหลายอันนี้ก็หมายถึงลุกเทวดาลุกเทวดาที่ต้องมีวิมานแปะกิ่งไม้อยู่ลอยในอากาศไม่ได้ <c oughs> ถ้าไม่มีกิ่งไม่วิมานก็สลายตัว บรรดาลูกกเทวดาทั้งหลายเห็นพระเขับไปที่นั่นก็คิดว่าพระคุณเจ้าทินมาที่นี่เข้าใจว่าตอนเย็นท่านจะไปที่อื่นก็ชวนลูกชวนหลานชวนสามีพัญยาลงจากต้นไม้คิดว่าพระอยู่ข้างล่างเราอยู่ต้นไม้ก็เป็งใจพระขันมาลงมาแล้วปลายกลนถึงค่าพระก็ไม่ไปเพราะพร ะ, ะสัญญามาศาลนี่นะตอนมาอยู่สองสามวันพระก็ไม่ไป เทวดาก็หนักใจเอพระไม่ไปเราก็ขึ้นต้นไม้ไม่ได้ความจริงพระก็ไม่เห็นเทวดาไงแต่เทวดาเห็นพระเทวดาเกรงใจพระ <c oughs> ต่อมาเทวดาก็มาปรึกษากันว่าบรรดาพระทั้งหลายเหล่านี้นั้นน่ากลัวจะจํารรษาที่นี่ถ้าเราคืนให้อยู่ที่นี่เราก็ก็ อ, อยู่ที่แผ่นดินนตลอดสามเดือนถ้ายจงไงเราจะไล่พระหรือไม่กล้าไล่ ก็ปรึษาตกลงกันไปเอกฉันนะครับเอกฉันแปลว่าอะไรเอกฉันทะนะมีความพร้อมใจร่วมกันเป็นหน่เดียวกันว่าต่อจ น, นี้ไปเราจะหลอกพระเห็นไหมไอ้ที่หลอกเป็นมายาผีเทวดาก็บังทีพระเดินจงกรมไปเห็นผีหัวขาดบ้งังเห็นผีหน้าตาใหญ่ตาลึกตาโบบ้างหน้ากลัวใช่ไหย และกลางวันบ้างกลางคืนบ้างเราส่งเสียงนาครัวทุกอย่างพระทนไม่ไหวพระต่างคนมาประชุมพร้อมกันคิดว่าเราต้องการสถานที่สบายแต่ว่าสถานที่นี้เป็นอันตรายกับสมาธิเราไม่สามารถจะคุมสมาธิได้จิตไม่สงบตัวเพรามีความหวั่นไหวทุกคนตัดสินใจว่าไปเฝ้าพระเจ้าดีกว่า จริงเข้าเวลาชาวบ้านนั้นเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจิตวิจิตมารที่อที่มหาวิหารก็ความจริงไกลกันประมาณร้อยโยน์เมื่อเข้าไปเฝ้าพระเจ้าและพระเจ้าก็ถามว่าพวกเธออยู่สุขสบายดีหรือความจริงพระเจ้านจะรู้ทุกอย่างจําเป็นต้องถามไม่เป็นระเบียบก็ต้องถามแบบนี้แล้วก็บอกว่าอาหารสบายบุคคลสบายแต่สถานที่ไม่สบาย ก็บอกให้ฟังว่าการเดินจงกรมไปกำหนดว่าจะจงกรมถึงตรงนี้พอไปถึงก็เจอผี ว, ว่าขาดบ้างเจอผีตาใหญ่บ้างเจอผีแลบดินบ้างผีส่งเสียงให้เป็นสไลบ้างเป็นรบกวนบ้างจิตใจก็วันไหวอ ย, อยู่ไม่ได้ตรงกลับพระพุทธเจ้า ก, ก็บอกว่าเธอไปในป่าสนเธอไม่ได้นำอาวุธไปด้วยเธอจงอยู่ที่นั่นแหละพระก็บอกว่าอยู่ไม่ได้ครับ พระพุทธเจ้าบอกว่าเธอเข้าป่าเพื่อไม่นำอาวุธไปด้วยนี่แล้วก็ถามว่าในพุทธศาสตร์นามีอาวุธหรือพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามีแต่วุธที่ ม, นมีนั้ไม่ใช่นุไม่ใช่ธนูหน้าไม้แล้หอกดาบเป็นบทคาถา <c oughs> นั่นคือแนะนําให้พระเจริญเมตตาจิตไหมกว่าว่าก่อนที่จะเข้าถึงป่าให้เจริญเมตตาเสียก่อนให้แผ่เมตตาจิต ธรรมะแพ่เมตตาจรงเรคิดว่าเราจะเป็นมิตรทีดีของคนสัตว์และมนุษย์ทั้งหมดที่นี่ขอคนก็ดีสัตว์ก็ดีอมนุษย์ก็ตามจะมีเรื่อความเป็นอยู่เป็นสุขเป็นต้นเพียงเท่านี้นะแต่ว่าคาถาบทนี้มีอยู่ในเจตํานานเบอกรณีเล็กใครอยากจะทราบก็อเอาไปตังโมซื้อเจตํานานที่ฉันเล่นละห้าสิบบาทฉันไปซื้อสาบาทเขาขายเล่นอะไรไม่ทราบนะอาจารย์ ซื้อแปลมีเปล่าปกรณีนี้ใช่ไหมในบทเกินี้ตัดตองเมตังเยส ป, ปรโรนตัดตอนครึ่งเรขึ้นมเมตตาเยส ป, ปรโรนิดเดียวระถาบทนี้ถ้าเราจะไปอยู่ที่ไหนคิดว่าตอนนี้ไปเราจะแผ่เมตตากับผีก็ดีเทวดาีเทวดายก็ดีดยดอยู่สถานที่อมนุษย์อนันหลายทั้งหมดและก็ว่าก่อนเข้าถึงสถานที่ พระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเข้าถึงสถานที่แล้วก็นึกอย่างนี้เจออย่างนี้ทุกวันท่านทั้งหลายจะมีความสุขนี่เป็นอาวุธทางพระุทธศาสนาแล้พระทั้งหลายเหล่านั้นรับคําสั่งแล้วก็กลับเพราถือว่าคําสั่งพระพุทธเจ้าเป็นคําสั่งไอ้ <c oughs> จวนจะเข้าทั้งป่ากาส็สวดเมตตาสปโรนะถ้าเป็นภาษาบาลีคําแปลเขามีอยู่นึก นึกสุดในใจไม่ใช่ตรงว่าเสียงดังไม่ตรงนั้นบ่าน้ำโมสมจบนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วว่าพุทธรรมธมังเสรก็นึกงเมตตาจสัปเหรเรื่อยไปจนจบคิดว่าต่อ น, นี้ไปเราขอแผ่เมตตากรรมาดา อ, าน ม, นอานมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เมื่อเข้าไปถึงสถานที่แล้วก็กำหนดว่าอย่างนี้ทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นเช้าก็สวดเย็นก็สวดในที่สุดก็เป็นที่รักของบรรดาเทวดาทั้งหลาย บรรดาเทวดาทั้งหลายานั้นต่างคนต่างลงจากต้นไม้คนนี้ไม่เกีแล้วสอบใจพระแล้วพยายามหาอาหารทุกอย่างเท่าที่จะพึงหาได้แต่เทวดาคงหาไม่ยากนะคงหาไม่ยากจะนก่นึกๆเอาเนี่ยหาอาหารทุกอย่างมาถวายพระและป้องกันตรายทุกอย่างด้วยเสือสิงต่างๆจะเข้ามาใกล้ไม่มีเทวดาไล่หมดนี่เป็นนว่าคาถาองค์สุดโสโท้ายพระรามสุขศรีาใครกลัวผีนะ พอดีคนนายกลัวนะคนนายเอาไปได้นะคนนี้ไม่กลัวไม่ต้องไอ้ผู้ที่ม่ยกมือคนนานยกไม่ขึ้นนะตัวนะกลัวในขั้นยกไม่ขึ้นเอาทุกคนจำไว้นะบทบทเมตตาเสปโรูนะบทกรณีก็เลยกันกรณีบทเล็กกรณมีสองบทบทใหญ่กับบทเล็กเอาบทเล็กแล้วบทเล็กตัดตอนครึ่งคือขึ้นเมตตาเสปโร เพราะนั้นว่าพระสัฆ์หลายเหล่านั้นมาอยู่เป็นสูขก็เจริญกรรมฐานการเจริญ ก, ก, นะ ก, กรรมฐานของท่านไม่ใช่ไวนานไม่กี่วันนักก็มรู้อรสาธบุญทั้งหมดแต่นี้วิธีเจริญกรรมฐานของท่านท่านปรารภวิปสัญญาญานตรงนี้สําคัญพระวรนดาญาโยมพุทธบริษัทจําไว้ด้วยคําว่าวิปสัญญาญานนี้แปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริง เวลาปฏิบัติจริงๆก็ไม่ต้องเกาะตำรามากนะักตามที่แพะทั้งห้าร้อยรูปจะปฏิบัติอย่างนี้ถ้ามีความเมตต์จิตเป็นสมาธิแล้วเวลาที่จิตเมรุไปสูงต้อคิดถึงความเป็นจริงของร่างกายที่ร่างกายเร า, านี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรเปลนีนในท่างกลางมีการสลายตัวในที่สุดทังหมดร่างกายไม่มีการทรงตัว ร่างกายได้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เราไม่ใช่วกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราแต่ว่าท่านนึกถึงภาพเปรียบเทียบว่าร่างกายเราเหมือนกับหม้อดินเหนียวดินเหนียวที่ก็นํามาปั้นเป็นหม้อมันก็เป็นหม้อยังไม่ใช้าไม่นานนักมันก็แตกชั้นใดร่างกายเขามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น <c oughs> นี่ก็มีอาการเสื่อมเป็นนักวันในที่สุดก็แตกสลายในสุดที่นเดียเช่นเดียวกัน ท่านคิดอย่างนี้อยู่สองสาวันจิตก็เริ่มสะอาดจิตเป็นสุขไม่เกาะร่างกายคิตว่าร่างกายกับจิตมีสภาพแยกกันร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตก็มีสภาพส่วนหนึ่ง <c oughs> ร่างกายตายจะจิตไม่ได้ตายไปด้วยในที่สุดจิตก็ไม่เกาะร่างกายเป็นพระหันด้วยอันตรกันทุกโอ์ในรองความว่าการเยือนไม่ปรัชนายาให้จับจุดใดจุดหนึ่งที่ที่บอกว่าร่างกายมันก็ม้อดินที่เกิดขึ้น แล้วก็มีการเสี่ยมขลายตัวไปในที่สุดก็ตรงกับเวทีปรัชนายาัน9าข้อที่สองพิงาจารณาตัวเกิดขึ้นแล้วตัวดับไปรวมความว่าการเจริญปรัชนายานไม่ยากให้เจาะจุดใดจุดหนึ่งแต่วานจริงแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายกับมีการแนะนำเรื่องอความเป็นพระอริยเจ้ากันการเป็นพระอริยเจ้าเขาปฏิบัติแบบไหน ถ้ขอได้นำว่าพระอริยเจ้าอริยเจ้ามีสี่ขั้นคือหนึ่งพระโสดาบันสองพระสีทาคามีสพระนาคามีสี่พระอรหันต์สำหรับพระโสดาบันกับพระสีทาคามีหน้าตักสัญญอดีสา3เหมือนกันแต่ว่าจิตละเอียดกว่ากันนิดหน่อยเท่านั้นเองสัญโยติจริงๆมีสิสัญญน์แปลว่าจิเลืเป็นเรื่องลอยรัดใจ ว่าบุคคลใดก็ตามสามารถปฏิบัติตอนตนถึงประโสดาบรนและก็มีหวังนิพพานแน่นอนในเมื่อจิตเข้าถึงประโสดาบรรบาปเก่าๆทั้งหมดที่ทำมาแล้วจะมากน้อยเท่าไรก็ตามไม่มีโอกาสให้ผลขึ้นชื่อว่าต้องเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเตยก็ดีเป็นสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เดชัยก็ดีไม่มีสำหรับบระโสดาบันต่อไปอบาปทั้งหมดให้ผลไม่ได้ นื่อสวดาบันเมรมยังไงตัดสัญโยชสามคืนหนึ่งสกายติติมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันต้องตายแต่ว่าคืนเกี่ยวความตายไม่ใช่นึกถึงทุกลมหายใจเขาออกนะเป็นอีกเพงว่าทุกวันตื่นขึ้นมาก็มีความเข้าใจว่าเราอาจจะตายวันนี้ก็ได้ไม่ประมาทชีวิต ในการที่สองมีการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์วยความจริงใจไม่สงสัยในความดีของท่านดยการที่สมมีศินห้าบริสุทธิ์ท่านี้เองสรงศินบริสุทธิ์ถ้าทองสินห้าบริสุทธิ์เป็นโสดาบัญขั้นสัตตะ ข, ขัดตัวที่ว่ามีบารมีอย่างอ่อนถ้ามีกำหนดสิบร่วมด้วยเป็นโสดาบัขั้นโกลังโกละ ถ้าสินห้ากดีกำหนดสิบก็ดีปฏิบัติได้โดยไม่ต้องระวังและมีการทรงตัวแน่นอนเป็นพรสวดาบันขั้นเอกไปชีหรือพระสิธิทาคามีนี่ต่อไปก็พระน า, าคามีถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ถ้าจะปฏิบัติเพื่อความเป็นพระน า, าคามีก็ตัดสยยดัญญาณสองรวมเป็น5้าอีก2ก็คือหนึ่งกามฉันทะตัดความรู้สึกในเพศ ด้วยกายกังาตาน้อติดกับสุปกรรมฐานสำหรับปัะโสดาบัยกสิทธาคามีแแค่อนุสติง่ายมากหนึ่งนึกถึงความตายแต่ไม่จำเป็นต้องนึกงงทุกลมทุกลมให้ใจเข้าออกสองยอมรับนับถือนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความเคารพแต่ไม่จำเป็นต้องทั้งวันนึกขึ้นมาว่ามีความโู้จริงใจเหมือ น, นั้น สนึกถึงศีลหลือกกระหมด10เอาศีล5้ากระติกันง่ายๆเป็นเป็นพระโสดาบันขั้นสตตะขัตตุงควบคุมกำลังใจทรงศีลห้าได้บริสุทธิ์เท่านี้เองเป็นพระโสดาบานันสิกาคามีพอจะเล่นกันเป็นว่านาคามีก็หนึ่งหนึ่งเอาสก4ะลิก4ีตัดการมฉชั้นทะด้วยกายกติราุปะกายกตานติงติราสุ ป, ปกรรมณฐาน เห็นว่าร่างกายของเรามีอาการ32อย่างม า, มาพูดมาคืนก่อนแต่ว่ามีความน่าเกลียดโสกโครกมีการเกริดในเบื้องต้นมีการสลายตัวในทีสุ์เราไม่ยึดถือร่างกายรังเกยียจร่างกายว่าเป็น่าสีเต็มด้วยความสงบปรกจนกระอารมณ์การมาอารมณ์ไม่ปรายกฏได้ขั้นที่สองขั้นต่อไปขั้นที่5าก็ตัดปฏิฆะคืออารมณ์ไม่พอใจ ความโกรธก็ดีความผูกโกรธก็ดีอารมณ์ไม่พอใจก็ดีตัดด้วยพมิหารสีหรือกสินสี <c oughs> ร่วมกับวิปัสสนาอย่างคือกายยตานุสติก็เป็นว่าตัดกามะฉันท์นได้ตัดความโกรธความไม่พอใจได้เป็นพระนาคามีรวมเป็นตัดสัญญอด้ 1, ายยา 2, วยห้ 3, ปาประการคือหนึ่งสกายยะทิฏฐิสองวิจิเกขาสามจิรปตะปรามาตสี่กามะฉันท์ทั้ห้าปิฆะ ถ้าต่อไปเมื่อเป็นบ้านานาคามีและจะปฏิบัติเพื่อเป็นพระทหารตนนี้เป็นธรรมะก็ตัดสัญยอที่ห้าคือ1รูปราคะไม่หลงไหลใฝ่ฝันในรูปประชานตั้งใจทรงรูปประชานในความจริงใจแต่คิดว่ารูปประชานก็เป็นบันไดก้าวเพื่อเป็นกําลังพัฒนายาเทธนั้นไม่หยุดยั้ยงแค่นั้นแล้วก็เมื่อกี้จะหกแล้วก็เจดอรูปราคะ อรูปราคาไม่หลงไหลไฟฝันในรูปฌานแปดมานะตัดมานะการถือตัวถือ ต, ตนเสจะได้เก้าอุเทจตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านเสจะได้สิบอวิชาตัดตัวโงโ่คือขันห้าอวิชานี่พระพุทธเจ้จาได้บอกว่าขันห้านะคือมีชันท่กับราคขาในชันห้าคือตัดชันทะความพอใจในมนุษย์โลกเทมโลกหรือพมโลกถ้าตัด ตัดราลาคือความหลงไหลฝ่ายฝันในมนุษยโลกเทวโลกและพุโลกจะกได้จิตวังไม่ได้ผ่านที่มีโรงอารมณ์สงบ ก, ก็รวมความว่าถ้าตัดได้ทั้งสิบเป็นพระราหันนี่พูดให้ฟังตำรายาโยมพระทวบริษัทจะได้ทราบว่าเขาเป็นพระโสดาบันจะยังไงใครย้อยกลับมหาพระโสดาบันใหม่อันนี้มีความสําคัญยากที่พระโสดาบันเพื่อการขึ้นตน คำว่าประสดาบันแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสพนิพพานจะเืมนนายมนะหนึ่งมีความรู้สึกว่าร่างกายจะต้องตายเป็นบรณานุติกรรมฐานสองไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มีความเคารพวยความจริงใจและสามมีสินห้าบริสุทธิ์ท่านเอง ตอนนี้เไไหลือเวลานาทีสั้นเศษก็ขอย้ำต้นต้นก่อนบรรัดาญาิโยมพระตถาคตนิยกชนจะเริ่มภาวนาต่อไปก็ขอเตือนว่านานดับต้นก่อนที่ภาวนาถ้าทุกท่านท่านใดผ่านสัโยาสามไปแล้วก็แล้วกันไปสำหรับท่านหลายที่ยังไม่ผ่านสัญญาสามในขณะภาวนาจะไมภาวนาอย่างอื่นเลยก็ใช้ได้มานั่งหนึ่งนั่หนึ่งทีวัดว่าชีวิต ว, ว่าชีวิตเรามีความตายในสุด ไม่ยตายเมื่อไรเราก็ไม่สราบแต่การตายคราวนี้เราไม่ขอไปอบายภูมิขึ้นชั่วผลของบาทต่างๆที่มีมาแล้วจะไม่ยอมให้ผลกับเราน่นคือเราไม่ยอมไปอ บ, อบายภูมิตามบาปเดิมจะหนีบาปหรือเราจะยอมรับนักือพระพระุพะทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจเมื่อไการในสามต่อ น, นี้ไปเราจะประครับประคองสินห้าให้บริสุทธิ์ให้มีการทรงตัว ถาบรรดาใจพุทธบริษัทจะได้ประคองกำหมดสิบได้ยิง่งดีมากกำหมดสิบใครกับหินห้าแต่มากกว่าหน่อยขึ้นหนึ่งทางกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่พุชิตในกรรมทางวาจามีสีไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจือเหลวไหลทางจิตใจมีสาม่มอยากได้ทรัพย์สมบัติของใคร และก็ไม่จองล่างจองผังไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ผูกาคาดมาดร้ายใครมีความเห็นถูกเห็นตรงตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเพียงถ้าถ้าสามารถทรงสัญญศีกได้อย่างหยากเป็นโสดาบันได้ท่านในขัข้นขัดขัตรูถ้าทรงสัญญศีกทรงกระหมดศีกได้อย่างหยาบนะเป็นปรสดาบันขั้นศัตตรูต ร, ตรงเออขั้นโกลังโกระท่านได้อย่างละเอียดในเอกวิชี คุณรวมกว่าว่าเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทธรรมดาเทพุทธบริษัททุกคนตั้งใจสมาทานสินสมาทานกรรมฐ า, าน <c oughs> <c oughs>